อันต่างโดยโกสมปฐมชาติก็คือว่าเอากายวาจาเนี่ยแทนดอกไม้แทนธูกแทนเทียนอย่างเ้นะแลพิจิตรัตนะกุสมมามาตเทียนแก้วแลเทียนทองแทนของที่มันดีที่สุดเนี่ยขอเอากายวาจาใจเนี่แหละเป็นตัวบูชาแทนกองกุศลอันไพยบูนที่ข้าพราะองค์ได้ทาด้วยอำนาจประสาทเลื่อมใสส ม, มนัตนมันสการพรนะรัตนไตรอันควรจะพึงนมันสการเป็นแท้ พระรัตนตรายนี้เป็นปูชาจะปูชนียาหนังเป็นสิ่งที่ควรเคารพควรเทิดทูนควรบูชาจริงๆเหมือนกันดังนั้นด้วยกุศลอันนั้นเนี่ยนะจงมาคุ้มครองป้องกันสรับภะเหตุเพศภัยพ า, านอุปันธวันตรายยาให้มากล้ากลายวี่แววแผ่วผ่านข้าพระ อ, องค์ได้ข้าพระ อ, องค์จะรจนาบัตนินี้ซึ่งไตรภูมิกระถาจะวิสัชนาซึ่งอัถาที่บายในห้องพระพุทธคุณที่ห้าคือบทว่าโลกวิทูโดยพิสดาร และในคำภีร์นี้กล่าวถึงพู้จัคุณคือว่าโลกาวิทูอั น, นถ้าใครอยากศึกษาโลกาวิทูละเอียดก็นี่ไปอ่านเอาโลกาวิทูว่างั้นคำเดียวว่างั้นแต่ว่าแล้วท่านก็บอกว่าในระหว่างการที่ข่าพระ อ, องค์จัดแต่งคัมภีร์นี้จงอย่าได้มีทุกโศกโรคภัยเสนียดจันไรอุปทวันตรายอันใดอันหนึ่งเลยให้สําเร็จกิจแห่งพระคัมภีร์อันนี้โดยสุนทรศริ สวัสดิ์สถาพรถ้าคัมพียรนี้จงถาวรตั้งมั่นอยู่ตราบเท่าท่วนห้าพันปีเป็นปัญจวัสดสหัสกาเลปริเชตให้เป็นพระราชกุศลอันประเสริฐวิเศษนับเข้าในธรรมทานนะให้เป็นธรรมทานแก่รัชการที่หนึ่งว่างั้นเถอะยกอันนี้ให้เป็นของรัชการที่หนึ่งให้รัชการที่หนึ่งเนี่ยได้เป็นธรรมทาน เพิ่มเติมพระปัญญาบารมีให้แก่กล้าเป็นปัจจัยแก่พระปรมาพิเศษสัมมาสัมพโพธิญาณในอนาคตการภายหน้าเนี่ยถ้าเราข้ามท่ า, าศาสนาพระผู้มีพระภาคไม่ได้พระศิลานไม่ได้ก็ไปข้ามาศาสนารอหนึ่งก็แล้วกันแลปนามเจตนาคือเจตนาที่นอบน้อมพระัตนะตรัยเนี่ยนะกิริยาที่ถวายน้มัสมั่นพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ ด้วยวาจาเป็นต้นในพระคัมภีร์แล้วแลขอพระธนะตรัยเพื่อให้ป้องกันสับพทุกสับ ภ, ภ, ภ, ภัยสับพระปุปปัทหวันตรายต่างๆอย่างพารนามาชนนี้เป็นจารีปประเพณีแห่งพระคันธารจนาจารย์ทั้งหลายผู้แต่งพระคัมภีร์สืบ ส, บ, สบสืบกันมาเป็นระเบียบแบบแผนใช่ไหมของเราทําไมทำไมมีคนก็ถามทําไมเราต้องตั้งนณโมก่อนทุกอย่างเวลาพุทธศาสนิชชนทํากิจทําการงานทํากุศลทุกชนิดนะจะตั้งนณโมก่อนทําไมจึงทําอย่างนั้น ท่านอธิบายเหตุผลนะเหตุผลที่ท่านอธิบายก็อาศัยในย่าแห่งดีกาดีกาต่างๆนะอย่างดีกาสาระทีปณีหรือดีกาของอภิธรรมัตสังกหะจะให้เหตุผลอธิบายคําว่าอ น, นิสงส์ที่เกิดจากการนอบน้อมพระรกะันนาตรายว่การตั้งนะโมโนอบน้อมเป็นต้นเนี่ยมีประโยชน์มีอ น, นิสงส์อย่างไรการนอมน้อมทั้งหมดมีกี่อย่างนะเมือ่อกี้มีสามอย่างนะหนึ่งกายปนามการนอบน้อมด้วยกาย สว่าจีประนามการนอบน้อมด้วยวาจาและก็มโนโปนามการนอบน้อมด้วยใจกายปนามนั้นก็ได้แก่กิริยาที่ทําการทันักสโมโอธาทัน์ะะนกากเนี่ยทัศก็แปลว่าสิบนักแปลว่าเล็บสโมโอธานนะประชุมเล็บทั้งสิระน้อมด้วยกายหรือว่าด้วยการกราบกรานด้วยเบญจางค่าประดิษฐ์นะยกมือขึ้น กราบไหว้หรือไม่ก็ก้มลงกราบนะด้วยองค์ห้าวังนั้นเถอะการกราบนี่เรียกว่าดูทำด้วยองค์ห้าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการนอบน้อมด้วยกายวจีปนามได้แก่กิริยาที่ออกวาจาว่าข้าพระองค์ถวายน้ำมศการแด่พระพุทธเจ้าถวายน้ำมศการแด่พระธรรมเจ้าถวายน้ำมศการแด่พระสงฆ์ข้าเจ้าออกวาจาดังนี้ชื่อว่าวจีปนามเหมือนอย่างบุคคลที่มีกุศลเจตนาศรัทธายินดีในคุณพระตันตนะไตร หาได้ยกมือขึ้นปนมไม่แต่ออกวาจาว่านะโมตสสะพระค่วะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะอย่างนี้ก็ชื่อว่าวาจีปนามเมื่อกี้เรายกมือด้วยใช่ไหมเป็นกายปนามเปล่งวาจาเป็นวจีปนามเหมือนอย่างอาจารย์พูดแต่งคัมภีร์แต่งปะนามไว้ในเบื้องต้นกล่าวนมัสการพระรัตนตรัยไว้ในต้นคัมภีร์ดังนี้ชื่อว่าวาจีปนามเหมือนกันอย่างในในที่เราอ่านไปตอนแรกในอัตถาชาดกอย่างนั้นเรียกว่าเป็นวจีปนาม แรมนโนปนามก็คือการนิ่งนึกระลึกถึงคุณของพระพุทธาที่รัตนไตรคือตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เคารพนกน้อมอยู่แต่ในจิตไม่ได้น้อมกายไม่ได้ออกว่าจารจิตล้าลึกนึกนอบน้อมถึงคุณท่านนะนะเคยไม้ยอมขอนอบน้อมแด่พระอาหารหันต์นึกในใจเฉยเฉยเนี่ยนะ ขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธ佛ขอนอบน้อมแด่พระวิชาเจรณาสัมปันโนขอนอบน้อมแด่พระโลบะวิทูอย่างเงี้ยขอนอบน้อมแด่พระอรหันต์ขอนอบน้อมแด่ผู้ไกลจากกิเลสขอนอบน้อมแด่ผู้ที่กำจัดค่าศึกคือกิเลสขอนอบน้อมแก่ผู้ที่หักซี่กรรมแห่งสังสารวัชจรึมอย่างเงี้ยนะนอบน้อมไปเรื่อยๆอันนี้เป็นนอบน้อมด้วยใจนะถ้าหากว่าไม่มีเวลาทำบุญอย่างอื่นจะคิดเอาอย่างนี้ก็ได้ คขาบอกว่าในการนอบน้อมทั้งสามอย่างนี้อาจให้สําเร็จเป็นทิฏฐธรรมะเวทียะทิฏฐาเนี่ยแปลว่าพึงเห็นนะธรรมะเวทนยะก็พึงเห็นพึงสวยได้ในปัจจุบันนี้แหละเห็นประจักษ์แจ้งในปัจจุบันชาติอาจป้องกันสับพทุกขสับพภัยสับพะปุปปันธวรรณตรายต่างๆจําเดิมแต่ปัจจุบันชาตินี้ไปนะการนอบน้อมนี้ไม่ธรรมดานะสามารถช่วยให้พ้นในชาตินี้พ้นชาติหน้าพ้นชาติต่อไปอีก ผู้ใดมีศรัทธาเลื่อมใสเชื่อถือพระตนะไตรตั้งพระตนะไตรไว้เป็นเบื้องหน้าอันนี้ก็คือสาระข้อที่ข้อหนึ่งใช่ไหมการเอาพระตนะไตรเป็นที่ไปในเบื้องหน้านี่ก็คือเป็นการถึงไตราสารณคมอีกลักษณะหนึ่งเราเคยได้ยินว่าการถึงไตราสารณคมนี่มีผลมีอนิสงฆ์มากการถวายวิหารทานแก่สง์ที่มาจากทิฏ ท, ทั้งสนีะ่เห็นดูว่าโอ้ไม่ธรรมดานะสร้างกุฏิเสนาสนะเ น, นี่ยถวายสง์ ที่มาจากที่ทั้งศีลนับมาได้บุญมากอยู่แล้วแต่คนที่มีความรู้ความเข้าใจตั้งพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้านอบน้อมอย่างยิ่งเนี่ยกุศลจิตอันนั้นเนี่ยมีผลมากกว่าสร้างเสนาสนะธรรมการยึดหน่วงเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นเกาะเป็นฝั่งเป็นที่เร้นเป็นที่พิทักษรักษาไม่สนเทศสงสยัยไม่สงสัยในพระคุณเลยอรหันเนี่ยไม่สงสัยเลยสัมมาสัมพุโทโธเป็นต้นหรือ ในพระธรรมคุณในภาษาสังกคุณนี่ไม่สงสัยแลถวายนะ้ำมศการด้วยกายกรา บ, กร า, บกรานลงด้วยเบญจังขประดิษฐ์ก็ดีหรือถ้ามิฉะนั้นก็ออกวาจาสารเสริญอัครบรมพุทธาที่คุณนะเลิศนะบ ร, รมสูงสุดพระจะคุณธรรมคุณสังกคุณเนี่ยเลิศสูงสุดว่า ง, งั้นด้วยการวาจาสารเสริญว่าจิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธแต่เข้าใจนะ ที่พูดนี่พูดเผื่อคนแขกเขาพูดแล้วคนแขกเขาพูดเขาเข้าใจใช่ไหมคนสมัยก่อนนี่เขาพูดนะโมตัสสะเขาบวชนะโมเขานึกถึงความนอบน้อมเลยสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยโหผู้ที่ตรัสรู้อริยสัพพด้วยตัวเองอรหันต์ไกลาจากกิเลสเป็นต้นเนี่ยมันเป็นภาษาพูดของเขาอะของเราก็ได้สั์มาแต่ดีแล้วล่ะถ้าหากว่าหาความรู้เพิ่มเติมหาเนื้อหาหาความหมายก็ดีมากหรือถ้ามิฉะนั้นเราอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆแล้วลึกนึกถึงพุทธาที่คุณอะนะ เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอารหันต์เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทโธเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีราารมพร ะ, มระภาคเจ้าเป็นโลกวิทูเป็นอนุตตรกแต่ละบทแต่ละบทนั้นก็บ่งถึงความเป็นพุทธคุณ หรือนึกในใจเฉยๆเนี่ยว่าสวากาโตพระกวาตาธรรมโมพระธรรมคําสอนที่เป็นปริยัติธรรมของพระ อ, องค์เนี่ยทรงตรัสไว้ดีแล้วเป็นพระธรรมคําสอนที่ชี้ทางแห่งมรรคผลและนิพพานอย่างนั้นอย่านอบน้อมหรือนึกถึงในใจว่าสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีดีนี่ดียังไงคือไม่คดทางกายไม่คดทางวาจาไม่คดทางใจไม่เอียงไปในอัตตกิรมาฐานุโยกกามสุขขลิกานุโยค ไม่เอียงไปในอุเฉธธทิฏฐิและสัสะตะทิฏฐิเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อเห็นธรรมะที่เป็นธรรมะสายกลางคือปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจสีนั่นเองหรือนึกว่าพุทธังสรนังขฉ า, ามิแบบพวนเข้าใจนะนึกแบบไม่เข้าใจก็ญาณวิทย์ประยุทธ์กับบุญเหมือนกันนะธรรมังสระังขฉ า, ามิสังคังสรนังขฉ า, ามิก็ดี แต่เท่านี้ผู้นั้นก็อาจเอาตัวรอดได้พ้นทุกพ้นภยัยพ้นอุปัวันตรายต่างๆบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยสา ม, มารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะถึงบุคคลที่มีแต่อาุศลกรรมติดตามมาทันอาุโสลกรรมตามล้างตามผลชีบหายตายด้วยอาุโสลกรรมให้โทษนั้นก็ดีเดชะที่ระลึกถึงคุณของพระตนตรยัยก็อาจเอาตัวรอดได้พ้นภัยในจตุรบายเป็นเบื้องหน้า เบื้องหน้าก็เข้าหาทางสวรรค์ได้คือถ้าหากว่าคนที่เจริญแบบนี้บ่อยๆสามารถที่กรรมที่เป็นอาคุศลที่จะมาเป็นอุปเชษกกรรมเหล่ะนะ้มาเบียดเบียนมาล้างผลาญชีวิตถ้าคนที่มีจิตไปกับพระรัตนตรยัยบ่อยๆอาคุศลเหล่านั้นก็ไม่ได้โอกาสคืออาคุศลจะให้ผลได้นะต้องมีโอกาสนะให้ปัจจัยอ่ะอันนี้เป็นประโยคสมบัติถ้าประโยค่าสมบัติปับ๊บอาคุศลให้ผลไม่ได้การนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยสามารถที่จะเป็น อุปธัรมพระ ก, กรรมไปเบียดเบียนแอร์อคูสุรกรรมได้ช่วยมาอุปธรรมให้ชีวิตยาวยืนขึ้นอีกต่อไปได้นะอยากอายุยืนก็เลยลึกถึงคุณพระรัตนตรายมากๆแต่ไม่ใช่ว่าอยากตายเร็วๆก็เลยเลิกนึกอันนี้ไม่ดีเหมือนกันหรือไม่ก็บอกว่ากรรมยกแต่อนันติยกรรมห้าคืออนันติยกรรมห้าเนี่ยสมมติว่าการเลิกนึกถึงคุณพระรัตนตรายเนี่ยจะเป็นอุปชาเวยเีนยกรรม กรรมที่ให้ผลในชาติหน้าเว้นไว้แต่ว่าชาตินี้ทําอนั น, นตเรียกกรรมไว้อันนี้อันนี้อนั น, นตเรียกกรรมเนี่ยปัดออกหมดนะถ้าหากว่าอนั น, นตเรียกรรมแล้วเนี่ยช่วยไม่ได้บ้างการระลึกนึกถึงพุทธคุณเป็นต้นช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ให้ผลอาบายนะแต่ว่าช่วยได้ในชาติต่ อ, ต อ, ตอไปอีกระยะยาวดีแต่ว่าเฉพาะชาติหน้าไม่ได้อนันตรียกกรรมห้าก็คือหนึ่งข้าแม่สองข้าพ่อสามข้าพระอรหันต์สทําโลหิตพุทธเจ้าให้ห่อห้า ทำสงให้แตกกันโดยอุโบสถกรรมและปะวารณาเป็นต้นให้แตกจากอุโบสถปวารณาเนี่ยนะอนันตริยกรรมห้าประการนี้เป็นครุโทษอันหนักชื่อว่าอุปชาเวทนียกรรมเฉพาะให้ผลในชาติเป็นลําดับอันนี้ให้ผลแน่นอนเลยเป็นอนันตริยกรรมบุคคลผู้กระทาอนันตริยกรรมนั้นเรียกว่านิยโตปุคโลนิยโตบุคโลก็คือเมื่อบุคคล ทำลายเบญจขันธ์ขาชีวิตแล้วเที่ยงที่จะไปบังเกิดในนรกทนทุกขเวทนาในชาติเป็นลำดับตายแล้วไม่พ้นนรกเลยคงจะลงไปตกนรกให้จงร่ายพลานิสง์กุศลเจตนาที่เลื่อมใสเคารพรักพระรัตนตรัยนั้นบ่มีอาจจะตัดรอนล้างผลาญซึ่งผลแห่งอนันตริยกรรมให้ศูนย์อนตารานได้แต่สามารถที่จะทำให้พ้นจากกรรมอย่างอื่นๆได้แต่ไม่สามารถที่จะพ้นอนันตริยกรรมได้แต่ของเราไม่ถึงขนาดไปทำอนันติกรรมมามั้งเนาะ เลยไม่ต้องห่วงเธอจะทำอนนันนั้นกรรมได้นั้นต้องแสดงเพกะว่าถูดสปขึ้นมาก่อนกล่าวว่าเป็นธรรมไม่เป็นธรรมนะเพื่อหาฝักหาฝ่ายหาพวกจับฉลากเป็นต้นจนถึงกับถึงที่สุดก็แยกกันลงโบสถสังกัรรมแต่ทะเลาะเบาแวงกันกุติเหนือกุติใต้มีตีกันอย่างนี้ก็อันนี้ก็ธรรมดาเนี่โทสะธรรมดาบาปแต่ก็ไม่ใช่ว่าดีนะเพราะอันนี้ก็เป็นเหตุร้าวรานทําให้ทําสังฆเภศต่อไปได้ มันเขาบอกว่าสงเนี่ยถ้าพิสูจนสองรูปทะเลาะ ก, กันเนี่ยมันจะแตกกันจนถึงพรหมโลกนะคือธรรมดาคนเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมถ้าหากว่าสองคนนี้ทะเลออกกาะกันปั๊บเนี่ยมันก็มีฝ่ายถือขังพระฝ่ายนี้พระฝ่ายโ น, น้นทีนี้ไม่อยู่กับพระโยมฝ่ายนี้โยมฝ่ายโ น, น้นทีนี้เอกคนธรรมดามันก็เกี่ยวข้องกับเทวดาอารักษเทวดาก็จะมาเกี่ยวข้องเทวดาฝ่ายนี้ฝ่ายโ น, น้นอากาศเทวดาเป็นเพื่อนกับอารักษเทวดาก็เทวดาชั้นสูงก็ฝ่ายนี้ฝ่ายน้น ทนี้พรมก็จะอยู่ฝักฝ่ายนี้ฝ่ายโน้นนะนะทะเลาะ ก, กันถึงพร ม, มัโลกอนี่ถ้าสงทะเลาะ ก, กันสองคนเนี่ยมีแต่เป็นไปเพื่อความเสียหายอ่าทีนี้ต่อไปว่าถ้าหากว่าคนที่ระ ล, ลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเนี่ยนะคุณพระรัตนตรัยเนี่ยจะเป็นอุปชาเวทนียกรรมคือไอชวันะดวงที่เจ็ดเนี่ยสามารถให้ผลนําเกิดในชาติหน้านะจะพ้นจากอบายทุคติวิเนบาสนารกแล้วก็จะไปสู่สุขติโลกสวรรค์ ถ้าหากว่าผู้ที่ทําแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะอาจจะคุ้มครองป้องกันปัดอาจจะคัดง้างให้ห่างไกลออกไปได้ในมรณาสานวิถีเหมือนกันมรณาสานวิถีสามารถที่จะหน่วงอกุศลเมื่อจะสิ้นชีวิตตินทรีย์นั้นถ้ามีสติระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้แล้วอย่าสงสัยเลยที่จะห่างไกลาจากสุขติอย่าแคลงใจเลยว่าที่จะไม่ได้จะไปบังเกิดในสวรรค์เหมือนกัน อันนี้พุทธพจน์กล่าวไว้นะและอีกอย่างหนึ่งที่พระมหาโมคคลานะได้กล่าวกับเท้าสกะในคัมภีร์วิมานวัตถุนะว่าผู้ใดเลื่อมใสในพระตนะไตรเคารพรักใคร่พระตนะไตรยอยู่แล้วถึงไม่มีสิ่งอันใดจะบูชาเลยบูชาแต่ด้วยน้ำใจที่นับถือรักใคร่นั้นก็อาจจะให้สำเร็จสมบัติในมนุษยสุขติและเทวโลกสวรรคโลกอาจจะเป็นอุปนิสัยให้สาเร็จ พระนิพพานสมบัติในอวสานอาศัยเหตุที่พระตนตรัยนี้เป็นบุญยาเขตอันประเสริฐเป็นนาบุญที่ดีที่สุดพระอาจารย์ทั้งหลายผู้ตกแต่งพระคำภีจึงกล่าวปนา ม, มกถานมัสการพระตนตรัยไว้ในต้นแห่งพระคำภีทั้งปวงเป็นวจีปนามเพื่อจะป้องกันสับพทุกสัพภยัยสัพพระอุปัทวันตรายต่างๆมิให้มาถูกต้อง พึงพานแก่ตนอาจจะให้สําเร็จกิจที่แต่งคัมพีโดยสิริสวัสดิ์สถาพรประการหนึ่งนี้เหตุผลที่ท่านนอบน้อมไว้ต้นคมภีนะเพื่อที่จะให้ท่านได้แต่งคัมภีได้สําเร็จหนึ่งสองจะให้เป็นประโยชน์คุ้มโทษคุ้มภัยอันจะบังเกิดแก่ผู้เล่าเรียนแลผู้อ่านผู้ฟังนั้นประการหนึ่งนะช่วยป้องกันอันตรายของผู้ศึกษาได้ด้วยเหมือนกันมันคล้ายๆกับเวทมนต์คำสาบยังมีผลเลยใช่ไหม แล้วคำนอบน้อมพระัตนตรายจะไม่มีผลเลยยังไงมันก็จะมีผลเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นต่ อ, ตอไปด้วยเหมือนกันแท้จริงบุคคลผู้เล่าเรียนเมื่อได้เล่าเรียนซึ่งปนามคาัคคถาจะบังเกิดความยินดีปรีดาศรฐานเลื่อมใสในพระธนตรายจะบังเกิดความเคารพคารวะรักใคร่ในพระตนตรายแล้วก็จะพ้นทุกพ้นภยัยพ้นอุปทวะเสนียรจันไดทั้งปวงด้วยอํานาจผลแห่งกุศลเจตนาแห่งตนที่ได้เล่าเรียนปนามัคถาแล้ว แลเลื่อมใสเคารพรักใคร่พระรัตนตรายนั้นผู้อ่านแล่ผู้ฟังนั้นเล่าเมื่ออ่านปานามาัถาฟังปานามัถาแล้วก็จะบังเกิดสถาเลื่อมใสเคารพรักใคร่ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าและในพระสงฆ์เจ้าก็จะพ้นทุกพ้นภยัยพ้นอุปัตวะสเสนียดจันไดต่างๆด้วยอำนาจแห่งกุศลเจตนาที่ตนได้อ่านปานามาัถาคืออ่านแล้วโอ้โหทําไมท่านมีความรู้ความเข้าใจเรากลึกซึ้งไปกับท่านด้วยนะ จริงเราเป็นคนไม่ลึกซึ้งหรอกไปฟังคนลึกซึ้งพูดเองก็ชันจะลึกซึ้งไปกับเขาเหมืนอนกันนะเราไม่ค่อยฉลาดหรอกแต่ฟังคนฉลาดก็พูดก็เผื่อฉลาดกับเขามันซ่องเสพนะพระคันธารัตนาจารย์เนี่ยท่านแต่งนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยใจที่เคารพเลื่อมใสเราเลยเคารพตามท่านไปนะเลยอย่างสมมติเห็นเขายกมือไหว้นะเออเราก็ไหว้กับเขาเหมืนอนกันนะก็ได้บุญไปกับเขาด้วยอนะท่านได้ฟังปนามกถาแล้วแล่เลื่อมใสเคารพรักใครในพระรัตนตรัยนั้น ปนามักระถาทั้งสามอย่างเนี่ยนะวจีปนามเท่านั้นมีอ น, นิสงส์มากที่สุดการนอบน้อมด้วยวาจามีอ น, นิสงส์มากอนอมน้อมด้วยวาจาทั้งขี่ทั้งเขียนด้วยนะขี่เขียนก็นับสงเพราะว่าวาจาเหมือนกันคุ้มโทษคุ้มภยัยคุบอุปนิธวันตรายต่างๆได้บุคคลที่ไม่รู้พระคุณพระธนตาตรายได้ฟังปนามักระถาก็จะรู้จักคุณของพระธนตาตรายบุคคลที่ไม่เลื่อมใสประสันนาการนั้นได้ฟังปนามักระถาก็จะบังเกิดความเลื่อมใสสมนัตประสันนาการ นะว่าจีประนามนี้จึงนับเข้าในธรรมทานมีอนุภาพมากมีผลอนิสงส์ประเสริฐกว่ากายปะปนามและมนโนปนามมีผลอนิสงส์มากเพราะว่ามันจะสืบเนื่องเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆต่อไปและอย่างหนึ่งท่านบอกว่าถ้าบุคคลพึงตั้งจิตตรำลึกภาวนาเนี่ยนะถ้าจเจริญนอบนอบ้อมแบบนี้ก็เพื่อว่าเป็นการเจริญ พุทธคุณเป็นต้นด้วยนะการตามนัลึกลักษณะนี้เนี่ยคือการเจริญพุดธรรนุสติธรรมมานุสติสังขานุสตินั้นการเจริญอย่างนี้ก็จะมีผลมากมีอนิสงฆ์มากคุ้มโทษคุ้มภยัยป้องการสรับพะอุปทวะเสเนียบจันรเป็นหนักเป็นหนาหนักๆจริงๆมันก็จะลดลงไปที่น้อยมันก็จะเบาไปแลกิริยาที่สัตว์โลกทั้งปวงแต่บรรดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิรู้จากคุณพระรัตนตรายนั้นก็รู้ตามมิสัย ปัญญาแห่งตนเป็นประมานะคุณพระตนะตรายเนี่ยคนนี่จะรู้ไม่เท่ากันนะท้องฟ้าเนี่ยนะคนเนี่จะเห็นไม่เท่ากันนะเพราะมันกว้างขวางลึกซึ้งเหลือเกินเนี่ยฟ้าเนี่ยปัญญามากรู้มากปัญญาน้อยรู้น้อยปัญญาลึกรู้ลึกปัญญาเต้นรู้เต้น <c oughs> แตกต่างกันท่านก็บอกว่าเปรียบประดุดพาณิชย์ชาวสัมเพออะนะใครมีสายวัดวัดน้ํำทะเลมีสายยาวกว่าวัดได้ลึ ก, กสายสั้นกว่วัดได้ตือนลักษณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้น สัปโลกที่เป็นสัมมาทิฏฐิรู้คุณพระัตนะตรายนั้นก็จะรู้ตามวิสัยวิสัยคืออารมณ์รู้ตามอารมณ์คือความสามารถของแแแต่ละคุณภาพจิตของผู้นั้นนั้นไปที่มีปัญญามากแแปัญญาน้อยปัญญาลึกแลแปัญญาติ้นมีอุปมาอันนั้นแท้จริงบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นปุตุชนหนาไปด้วยกิเลสไกลจากสดับดรับฝังไกลจากการไต่ถามเล่าเรียนแแอุปนิสัยไม่ได้คุ้นเคยด้วยพระัตนะตรัยมาแต่ก่อน และจะระลึกถึงพระพุทธคุณนั้นก็จะระลึกได้แต่ตื้นๆคนไม่ได้ศึกษานี่ก็โอ้นะโมวกวันวกวนะโมตัสสะพระวะโตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจบหมดแล้วอีกคนหนึ่งศึกษามามากอิปิโสพระวะอริวะอรหังเนี่ยไกลาจากกิเลสกําจัดข้าศึกคือกิเลสก็ได้หัวข้อไปอีกอีกคนหนึ่งลึกกว่านั้นอีกอรหังไกลาจากกิเลสกิเลสมันเป็นยังไงไล่ไปเอกโลภะโทสะโมหะ กำจัดข้าศึกคือกิเลสซึ่งนํามาแต่ความเสียหายมันเสียหายยังไงคนมีกิเลสเนี่ยก็จะไล่ลึกความแตกต่างกันเนี่ยตื้นลึกแล้วท่านก็บอกว่าฝ่ายกาลยาณปูตุชนอันมีกุศลสมพานได้กระทามาแต่ก่อนแต่ก่อนก็คืออ่านมามากศึกษามามากเล่าเรียนมามากหรือสะสมบุญมาแต่ชาติก่อนมากเคยได้สดับตรับฟังไต่ถามเล่าเรียนมาแต่ก่อนมีอุปนิสัยคุ้นเคยด้วยพระกนตนัยนเราลึกถึงพระพุทธคุณได้โดยละเอียด เห็นลึกซึ้งพิสดารกว่าปุตุชนที่ไม่ได้สดับตรับฟังแลไม่ได้ไตาถามเล่าเรียนนะแปลว่าคนเรียนกับคนไม่เรียนก็ความรู้ต่างกันและเวลานึ้อึงคุณของพระรัตนตรัยก็แตกต่างกันไปด้วยและกัละยาณปุตุชนนั้นรู้ว่าพระพุทธคุณลึกละเอียดแล้วก็ยังไม่นึกละเอียดเท่ากับพระโสดาบันบุคคลพระโสดาบันบุคคลรู้พระพุทธคุณละเอียดลึกกว่ากัลยานะปุตุชน โสดาบันน yani. ี่รู้กว่าพระสกทาคามีรู้กว่าพระโสดาบันเนี่ยพระสกทาคามีเนี่ยรู้น้อยกว่าพระอนาคามีพระอนาคามีรู้มากกว่าพระสกทาคามีพระอรหันต์ปกติรู้มากกว่าพระอนาคามีอสิติรู้มากกว่าพระอรหันต์ปกติอัครสาวกทั้งสองนี่รู้มากกว่าอสิติอีก แต่ว่าสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้ารู้พระพุทธคุณลึกละเอียดกว่าอาัครสาวกพระพุทธเจ้าเท่ากันนั่นแหละจึงจะรู้พระคุณกันได้จริงๆตกว่าพระพุทธคุณนี้เป็นอนันตะวิถฐานกว้างขวางหาที่สุดไม่ได้เหมือนอากาศอย่างนันะไม่มีที่สุดอ่ะพ้นวิสัยเทพพยายดาอินพรหมทั้งปวงจะพาลานาคุณให้สิ้นสุดได้ ถึงพระสัพพัญยูพุทธเจ้าก็เหมือนกันจะพารนาคุณต่างกันนั้นก็มิอาจจะพารนาให้สิ้นสุดได้พารนากันไปกันไปพระชนมาายุแห่งพระองค์ก็จะสิ้นสุดเสียก่อนให้พระพุทธเจ้าด้วยกันนะมาพารนาเนี่ยหมดอายุก่อนเนะ้ยพุทธเจ้าไม่ต้องทําพุทธกิจสอนอย่างอื่นหรอกมานั่งชมพระพุทธเจ้าด้วยกันนี่ก็ไม่จบอะพระพุทธคุณนั้นจะได้รู้สิ้นรู้สุดนั้นหาบ่มีได้เหมือนั้นสหัสสีเสปิ เจโปโสสีเสสีเสสตังมุขาซึ่งเขาแปลว่าบุรุษผู้หนึ่งประกอบด้วยมิจฉุริตเนรมิตศีษะให้ออกมากถึงพันหนึ่งเนรมิตหัวหน<ร>ึ่งพันหัวแต่ละศีษะมีปากร้อยปากแต่ละปากมีลิ้นร้อยลิ้นคิดได้แสนปากคิดเป็นลิ้นได้โกดลิ้นแสนปากโกดลิ้นเนี่ยนะ บุรุษนั้นอายุยืนถึงหนึ่งตับไม่ขวนขวายในกิจการอันใดอันหนึ่งเลยตั้งหน้าแต่ภาลนาพระพุทธคุณสิ้นไปสิ้นทั้งกลางวันแลกลางคืนจนสิ้นอายุกับหนึ่งแล้วก็มี่อาจจะพาลนาพระพุทธคุณให้สิ้นสุดลงได้ขนาดว่าพันหัวเนี่ยนะพันหัวแสนปากโอดลิ้นอะกับหนึ่งไม่หมดเลยนะ แล้วท่านยังบอกอีกบอกว่าพุทธโธปิพุทธสสะพนยวันนังเป็นต้นเนี่ยนะบอกว่าสมเด็จพระสัพพันยูพุทธเจ้ามีพระชนมายุยืนนานได้ ก, กับหนึ่งถ้าไม่ตรัสเทศนาพระธรรมอื่นเลยแลยจะตรัสเทศนาแต่พระพุทธคุณแห่งสมเด็จพระสัพพันยูพุทธเจ้าเหมือนกันนั้นสิ้นทั้งกลางวันกลางคืนเทศนาไปเทสนาไ ป, ส, าไปสิ้นการช้านานท้วนกาหนด พระชนกับหนึ่งนั้นสิ้นแล้วพุทธคะกูลแห่งสมเด็จพระตถ า, าคตทศพล น, นั้นจะได้สิ้นสุดหาไมิได้แลพระพุทธระกูลอันเป็นอนันตวิตถารั ก, กว้างขวางหาที่สุดบ่ม่ได้เห็นปานชนีอันตะพานปูตุชนผู้มีสันดานนาไปด้วยอกุศลนั้นจะรับรองได้เป็นอันยากยิ่งนักคนพานคนมากไปด้วยกายกรรมชั่ววจีกรรมชั่วมนโนกรรมชั่วนาไปด้วยโทสะโลภะเป็นต้นเนี่ยนะมันยากที่จะรองรับได้ ต่อเมื่อใดเป็นสัตว์บุรุษมีสันดานสะอาดปราศจากอากุศลจึงจะอาจรับรองพระพุทธคุณนั้นได้ผลการเจริญพุทธคุณนั้นมีรายละเอียดซึ่งนานๆเข้าเราคงจะได้กล่าวอีกต่อไปแต่มายกตัวอย่างว่าคนที่ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระดับพระสารีบุตรพระเทเรนี่นะมาดูว่าท่านระลึกนึกถึงคุณยังไงมาดูในอัตถกถาคุถกาณิการจริยาปิฎกเปิดไปหน้าสิบห้า เปิดหน้า15เห็นนะตรงนิทานกระถาก็คือเปิดคืนมาประมาณสัก3ใบเชิญพนเปิดถอยหลัง3ใบตรงซ้ายมือนะหน้า14ตรงซ้ายมือหน้า14ในประมัททีปณีอัตกถาคุธกานิกายเจริยาปิดกที่จริงข้อความตรงนี้เนี่ยคัดเอามาจากคำพีพุทธวงศ์กล่าวว่าพระสารีบุตรนี้เป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในสมาธิคือฌาน บรรลุบารมีด้วยปัญญาย่อมทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนายกแห่งโลกว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้สูงสุดกว่าคนมหาวีระก็คือผู้แกล้กล้าอภินิหารของพระองค์นี้เป็นเช่นไรอภินิหารก็คือมูลปณิธานความปรารถนาของพระองค์เนี่ยเป็นอย่างไรข้าแต่ท่านผู้ทรงปัญญาในการไรที่พระองค์ทรงปรารถนาความตรัสรู้อันอุดม พอองตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ทานเศนเนคคัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาเป็นเช่นไรบารมีทั้งสิบ ท, ที่พระ อ, องค์สังสมมานี้เป็นอย่างไรข้าแต่ท่านผู้ทรงปัญญาผู้เป็นนายกแห่งสัตว์โลกบารมีสิบ ท, ที่พระ อ, องค์ทรงบำเพ็ญแล้วเป็นเช่นไรแในขณะภาษาริบดุษณียังสงสัยเอ๊ะทำมาอย่างไงนะในขณะระดับภาษาริบดุษณยั ง, ย, งยังต้องการรู้อ่ะนะ ท่านท่านยังคำนวณไม่ถึงเลยไม่ต้องพูดถึงพวกเราอะ่ะอุปบารมีนี้เป็นอย่างไรปรมัภิป ร, ม, ปรมีนี้เป็นอย่างไรพระองค์ผู้มีพระสุรเสียงอันไพเราะดุจนกกระเวกยิงเสียงพระพุทธเจ้าเหมือนเสียงมหาพรหมเลยข้าพระองค์เมื่อจะยังหะไทยให้เยือกเย็นยังมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาให้รื่นเริงจึงทูลถามขอพระองค์จงทรงพยากรแก่ข้าพระองค์เถิด เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพุทธวงศ์อย่างนี้แล้วท่านภาษารีบุตรก็ส่งยานมีพุทธคุณเป็นอารมณ์ว่าโอ้การถึงพร้อมด้วยเหตุการ์ถึงพร้อมด้วยผลการสําเร็จแห่งมหาอภินิหารของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบําเพ็ญบารมีอย่างนี้ตลอดการเพียงนี้ทรงกระทําสิ่งที่คนทําได้ยากนะคนธรรมดาทั่วไปทําไม่ได้หรอกเหมือนกัน นี่เป็นผลอันสมควรแก่การสะสมโพี่สมภารเป็นวิธีอย่างนี้คือความเป็นพระสัพพันธ์อยู่ความเป็นผู้ชํานาญในกําลังทั้งหลายความเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้ความเป็นผู้มีอนุภาพมากอย่างนี้คือท่านพระสารีบุตรนั้นไปตามระลึกติดตามพระธรรมถึงพระพุทธคุณอันมีอนุภาพเป็นอาจินไตพระพุทธเจ้านี้มีอนุภาพเป็นอาจินไตซึ่งคนไม่สามารถที่จะรู้ได้ทั้งหมดหรอก ดูสิว่าพภาษาดิบุตรเนี่ยท่านระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ายัางไงนะใครจะดูตัวอย่างวิธีการเจริญพุทธคุณของภาษาริบุตรภาษาริบุตรท่านระลึกว่าโหศีลเท่านี้ของพาาระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ศีลอย่างนี้สมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนุนทริโอตาปะศรัทธาวิริยสติสัมปชัญญะเีลวิสุธทธิจิตวิสุธทธิเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้หัวข้อมาเฉยๆนะแต่ท่านละเอียดกันนั้นบางเยอะแยะเนี่ยคือวิธีการระลึกของภาษาดิบุตรนะ นิ่งตามลึกๆจนแบ่งเป็นหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดสี่หมวดห้าไปเรื่อยๆโน่น่ะจนถึงเขาบอกว่าจนถึงเจ็ดสิบเจ็ดมั้นั่นในหน้าสิบหกตอนข้างล่างสุดเลยนะที่เหลือก็ไปอ่านเอาท่องเอากันแล้วกันเป็นหัวข้อเฉยๆเขาบอกว่ายาณ ว, วัตถุเจ็ดสิบเจ็ดมหาวชิระยานอันเป็นจารีตร่วมกับสมาบัตสองล้านสี่แสนโกดกสมาบัตเนี่ยสองล้านสี่แสนโกดเนี่ยนะนับเรไม่วหวไม่ไหวเลยนะ และเทศนายานเป็นเครื่องค้นคว้าพิจารณาสมัญต์ปัตฐานอันมีนัยยะไม่มีที่สิ้นสุดและยานอันประกาศอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดในโลกธาตุอันหาที่สุดม่ได้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่สาธารณะแก่ผู้อื่นไม่เห็นที่สุดไม่เห็นประมาณท่านตามละลึกไปนะนึกยังไงก็นึกไม่เห็นนึกไปก็ยิ่งมากมากๆากมากมากมา ก, มากอ่ะนะคุณของพระพุทธเจ้านี่มากจริงๆอย่างนั้นเถอะ อย่างสมันต์ป่าปฐามเนี่ยสมน า, านต์ป่าปฐามก็คือคำพีร์ปฐานเนี่ยมันมีในไม่มีที่สิ้นสุดนะแล้วก็ยานประกาศอัธยาศัยว่าคนนี้นจะดิษฐ์แปดมืนสี่พันอย่างเงี้ยแปดหมืนสี่พันเนี่ยแล้วคนทั้งโลกมีเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วสัตว์ทั้งหมดในอบายในนรกเปรตอสุรกายในพรหมไม่ใช่จักรวาลเดียวล้ายๆจักรวาลอีกเมีโอโหสัตว์มีเท่าไหร่ยานมีเท่านั้นแหละรู้หมดเพี้ยงไม่มีอะไรที่ไม่รู้ อย่างอากาศไม่มีที่สิ้นสุดนะพระพุทธเจ้าก็มียานถึงไม่มีที่สิ้นสุดด้วยนั่นแหละสิ่งที่ควรรู้มีประมาณเท่าใดยานของพระพุทธเจ้าก็มีเท่านั้นเนรู้หมดไม่มีอะไรที่ไม่รู้เพียงแต่ว่า